มาสตาร์ขอกาสจากยพเป็นสาวตนเฉลิมด่อทุกทุกท่านอาหารที่นี่ต้องอร่อยมากเลยนะกเรายังไ่รไมเลยเดินเดินปาเต็นเท์เเป็นปนิทรอาหารใจอาหารปิดปอะราหารปั่ถุกแลนะ้น า, งนาไงมายากนะรับ ใจนรับย่างใจตัมมาทุกวันนี้ลม ร, รือของร้อนกิเลบันลุ่นยไม่มีอะไรดับกิเลสในใจของคนได้ตัมมา เ, เราเราเมียกาสใน้ฟังตัมมาอะตั้งใจฟังการฟังตัมมาทาใจสบายๆแต่สงบสํารวมอยา่าเครียดเขาสงบนานสํารวม ใครมีโทรศัพท์มือถือกิดสะกนกำลังฟังธรรมเสียงระดับคนก็เลยเ่าระบาดที่โองตอนนะี้ก็จะเป็การดูวดีโอตั้งไว้ไม่เป็นไรตรึบตึบขึ้นมาไทายทำให้คนต่างๆเราเนี่ยเสียสมาธิครูบาอาจารย์เนี่ยมมาเลยเวลาคนเขาปฏิบัติธรรมไม่ให้เราคว แค่เดินสียต่างนิดหนึนดุเลยกลัววัาเขาจิตกำลังดีทำจิตเาอนเป็นเป็นบงังเป็นกบแ้วเราเองเวลาเราภาวนาจะแตกหักมีอุปรสรร์มารบกวนทำให้จิตถอนจิตกาลังรวมเข้าไม่พัดจิตเลยรวมไม่ได้มีอะไรมารบกวนเป็นผลตกคับ นเวลาทำธรรมเนี่ยพวกเราต้องสารวมอย่อย่าสุดนั่นสงสารวมสบายๆทำใจสบายสำรวมกายสำรวมมาจาไม่เท็จแค่กําลากเวลาทำธรรมนะทำใจเมืนเรากำลังเข้าเฝ้าของพุทธเจ้าเราวพระศาสดา ข, ของเราสเสด็จดับการปรินิพพานไวท่านให้ทำาวงวินเป็นศาสดาแทนท่าน ฉะนั้นเวลาที่เราได้ฟังธรรมะคือเวลาที่เราเข้เาเฝ้าราศาสานาของพวกเราเราต้องฟังด้วยปัจจุบวันนี้หววข้อที่ชมรมสารธรมรมนานา น, นินมนต์ให้หวงพ่อมาเชเรื่องทางเห็นปัจจุบนแจ้งเมื่อก่อนเขียนหนังสือไปเรียนวิธีเห็นปัจจุบนแจง้งก็คงแปะเกี่ยวไกน การจะเข้าไปสู่ความรู้แจ้งนะตอนนี้นต้องบอกก่อนว่าการรู้แจ้งคืการเห็นความจริงคือสาระแก่นสารสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้าหากมีใครมาถามเราเราว่า พ, พุทธศาสนาคืออะไรเราต้องตอบใจตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็าคือตัวสมาธิที่ความรู้ถูกความเของแจ้ถูกนั่นเอง ถ้าเรามีสมาธิที่เรามีปัญญาในระดับสมาธิที่เป็นปัญญาชั้นสูงรู้แจ้งแก่ตลอดอริยะสัปดา์ได้ผลทุกได้พรจะพุทธเจ้าท่านชีข้ขาดเลยบอกว่าบุคคนจึงบางบริสุทธิ์ได้เรืยปัญญางานของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทำทานไม่ใช่แค่รักษาศีลนำสมาธิมันจะต้องก้าวข้นมาสู่หลัจเจริญปัญญาให้ได้ แต่การเจริญปัญญานะี่ยเพื่ออะไรท่านสอดอะไรบอกว่าเขารู้ตามความเป็นจริงนะแลก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นรูปเห็นหนามเห็นกายเห็น ใ, ใจตงรงตามความเป็นจริงมีปัญญานะ่ยเกิดความเมื่อหน่เบือบ่อหนอะไรเบื่อหน่ายในรูปนามกายใจนี้ในธานุในขันธ์นี้เราเมื่อหน่ายจะใครกำนัทหรือใความยันชื่อ ก็ใครก็หนานจิตบนคนแล้วคนก็จะรู้ว่าบนคนแล้วท่นจะมีคําตอบชาติสิ้นแล้วหรือความเกิดไม่มีแล้วชาติสินนนส้นแล้วโรมจันอยู่จบแล้วการเราเพิ่ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วกินที่ควรทําทําเสร็จแล้วกินที่ย่างเดียวรือาความบริสุทธิ์บนคนจะไม่มีเกณฑ์ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงความบริสุทธิ์บนคนได้นัเราต้องเห็นตั้ความเป็นจริงให้ได้ เป็นกายที่การเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเห็นแล้วจะนไม่ลงเป็นกายที่เป็นทุกข์ใจที่มัเป็นทุกข์การที่เราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะไม่ใช่เรื่องพูดกับเล็นๆมันต้องเตรียมความพร้องของจิตสะก่อนถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพจิตเราไม่มีความสามารถพอไม่สามารถจะเห็นความจริงของกายของใจได้ ฉะนั้นก่อนที่จะข้าวมาสู่ขั้นการเจริญปัญญาเป็นการต่างรู้ความเป็นจริงของกายของใจจะต้องมาพัฒนาคุณภาพของจิตให้พร้อมสาหรับการเจริญปัญญาเสียก่อนผู้ปฏิบัติจนะํานวนมากนะที่หลวงพ่อสำรวจมาหลายสิบปีผู้ปฏิบัติจํมมานวนมากนะส่วนหนึ่งกขาคิดถึงการปฏิบัติทรรมเขาไปนั่งสมาธิทาจิตให้นิ่งๆ ก็คิดว่าทำจิตให้สงบนิ่งนานเนี่ยเป็นการเรียจิตให้รอดถ้าจิตสงบมากมา ก, มากแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิดเป็นคนละเรื่องกันสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิไม่ใช่มีเสี้ยนอันเดียวไมหายเสีข้ามพุทไธหิวโตแ้วเรื่อสงบเฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆสมาธิอย่างนั้นมีราก่อนตัวพระเจ้าหรือสี่ชีพหลายคนทำเป็นแต่ว่าไม่ทำให้บรรลุทราเราไม่สามารถ เป็นกายใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยพวกหนึ่งินไปทําสมาธินปทำสมาธิผิดประเภทอีกพวกหนึ่งไม่ทําสมาธิเลยอยู่ๆก็ไปเข้าคอร์สนะไปกําหนดรูปกำหนด น, นามอะไรต่ออะไรก็ไปไปเจริญปัญญาไปไม่เคยเตรียมจิตให้ร้อนจิตนั้นไม่มีคุณภาพที่จะไปรูป้รูปนามตามความปเป็นจริงเพราะเราไปกำหนดรูปกำหนด น, นางสิ่งที่จิตจะทำํำคือการเพ่งรูปเพ่งนาม ไปจ้องอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไปจ้องนิ่งอยู่กัลมหายใจตูท้องของยกจิตเปจ้จองมิ่ที่ท้องลิมทุกสิ่งทุกอยากก่างหมดเลยเดินจงกรม ย, ยกเทา้าย่างเท้าจิตไหลมีอยูที่เทา้าอย่างนี้สมาธิอย่างนี้นะการปฏิบัติอย่นี้ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาถ้าจิตเราไปแช่อยนะู่ในอารมณ์เดียวเนะี่ยเป็นสมาธิอีกชิดหนนะเรียกว่าอารมณมปฏิชานก า, า, น า, ารเก่อยู่ในอารมณ์เดียว งั้นพวกหนึ่งทำสมาธิแล้วกเคลิมเคิ้มลืลตัวไปขาดสติหรือทำสมาธิมีสตินะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เดินตัญญาต่ออีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิแล้ไปลงมือไปดูรูปดูนามแล้วก็กลายเป็นพ่รูปเพ่งนามก็กลายเป็นทำสมาธิสมาธิชนิดปเป็นเพ่กลิทที่ไม่มีคุณภาพเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้ ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสะกดปัญญาทึงจะเกิดถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดสมาธิมีสามชนิดสมาธิชนิดแรกเรียกว่ามิจฉาสมาธิสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสตินั่นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเลยอย่างเรานันาาานนนนะ่งหายใจหลวงพ่อท่นได้เล็กๆหน่อยฝึกหายใจเรียนจากท่านพ่อนลีมาดสนกรา ไม่ใช่ว่าปรูญญบาอจารย์ไม่ดีนะท่านก็ดีเลิศ น, นะแต่เราเด็กตอนนั้นเจ็บปวดอยู่ไปเรีนกับท่านนะท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทน้ํำหนือใหายใจเข้าพูดหายใจออกโทน้ํำสองเลียนไต้ผิวเนเพราะมานั่งอยู่กลับมาบ้านมานัหายใจอยู่ยจิตมันก็เพิ่มขึ้ไปนะสว่างสว่างแล้วเราไม่มีสติที่เดียวเพือองรักษาจิตใจให้รู้เดินรู้ตัวอยู่นะจิตมันไหลตามแสงสว่างลงไป ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเต่าอะไรนะั้นออกนอกไปข้างนอ ก, นอกนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะอย่างมากที่สุดเคยก็ไม่ได้แค่ว่ากลัวบาปกลักรบอยากทําบุญไม่อยากทำ บ, บากเพราะว่ากลัวตกอาระล์อยากไปขึ้นสวรรค์นั่งสมาธิแต่ไม่มีสติคงคลองกลางาจิตจิตมั่นไปไหลไปนะหรืออย่างเวลาที่เราเห็นคนก็นั่งสมาธิจำนวนมากเลยนะนั่งแล้วแบบ นงะไ น, นี้นะังหลับไปหลับมาอย่งนี้เป็นวิชาสมาธินะั้นไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติอยู่สักสามสิบปีก่อนหลเงพ่ไปวัดคุณปัญจายงท่านมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมีชื่อเสียงมากกว่าหลวงตามหมาบัวนะตอ น, นั้นหลงตามหมาบัอยางเป็นต า, า, นต า, า, นนตาอายุไม่มักไปรับสังคื น, นก็เป็นจุดที่บนเราภวนากันอยู่ที่บน โบท่านไม่ใหญ่คนนั่งกันเต็มเลยนั่งสมาธินอกโบสถานร อ, อบโบสถ์ก็ น, นั่งสมาธิม้างเดินจงกรมบางเด้ไปหมดเลยเป็นรอ้อยเด้งขึ้นนึ่งขึนหนึ่ ง, น, งนั่นคนไปพอไ่อนาเป็นร้อยคนพอไปดูไปเดินดูที่ไปหาที่นั่งไม่มีจี่จะนั่งดูไปดูไปกูในใจมันก็นึกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติทำมีแต่ทาสมาธิแล้งเป็นคาสติไปเริ่มเลิ่มไปในใจก็นึก ดูถูก เ, นะ เ, นะเขากิาเลสนั้นยาวหยางนี่เอาความเลวร้ยรายของเกวเองมาเล่าให้ฟังไปเห็นเ ข, าข้าวนาแนละ้วคือโวยภานาไม่เป็นหรือวะภนะาวนาแล้วขสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนาไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติหรอกนะไม่เห็นมีใครปฏิบัติสักคนเลยคิดอย่างนี้นะตอนเช้านะเขาไปกราบตลวงปูทงนนนะ่ท่านเห็นหน้านะท่านยิ้มหวานเลยบอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละนะ พูใส่น้าเรานะ่ต้องอายมากเลยท่านสอนเราเรอไปดูคนอื่นไม่ดูตัวเองท่านสอนครูบ า, าอาจารย์จะสอนฉลาดแลกค้งเาให้บอกตรงๆเราเราฟังเนะี่ยต้องรู้จักพิจารณาเรียนได้ของีที่ได้ต้องพูดเรียมๆเพ่งๆที่เรานิทานไปเลยเราต้องฟังให้เน่งอย่าล้ท่านสอนเราโค้เราต้องอายมากเลยนะท่านกำวันนี้เขาไม่ปฏิบัติแล้วล่ ทำไมคนนั่งสมาธิตันงร้อยคนเป็นร้อยเลยนะท่านบอกไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่มีสติสมาธิที่ไม่มีสติเป็นวิชาสมาธิไม่ควรทำอย่าจยิ่งทางไปแล้โมหะมากยิ่งทำนล้วยิ่งเคลเคลิมลืมแล้วลื ม, ล ม, ล ม, ล ม, ลมตัวนั่นต้องรู้สึกตัวไปเลยนะี่ ME? สมาธิอย่างแรงเไม่ควรทาสมาธิอย่างที่สองเป็นสมาธิที่จิตเป็นหนึ่อารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง จิตสงบอยู่ในรมันเดียวไม่ขาดสปิเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตนีไปจากพุทโธเรารู้ทันนะจิตมันสงบอยู่กับพุทโธโดยที่ไม่ได้เจตนาให้สงบจิตมันสบายอยู่ในพุทโธถ้าวันไหนบริกรรมพุทโธเรามีความสุขก็ให้บริกรรมพุทโธไปจิตมันมีความสุขมันไม่หีวิธีอื่นมันมีสติอยู่แบบพุทโธอย่างนี้ใช้ได้หรือเรารู้เราหา้ใจ อย่างลมจะเน้นฝึกอานาปานสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอยู่นจิตสงบอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคืออะไรก็คือการหายใจและจิตเป็นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือการหายใจคือจิตเป็นหนึ่งอยู่แบบพุทโธเป็นหนึ่งไม่มีอย่างอื่นจิตเป็นหนึ่งเป็นท้องของโยมไปไม่มีอย่างอื่นเป็นหนึ่งเหมือนกัน สภาวะที่จิตเป็นเด่งอารมณ์เป็นเดเนี่ยเป็นสภาวะที่เรียกว่าสมาธินะเป็นสมาธิช น, นิดที่เรียกว่าอารมานุปปิชาคือจิตเนี่ยเพ่งแนว่วแนว่แนอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิช น, นิดนี้เอาไว้ทำ ง, งานทางโลกกะเอาไว้ในารผ่อนเวลาเราภาวนาเ่นเน่นครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะข้อเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์หลวงปู่สุสวรรณสุวรรณโจเนี่ยนลายฟัง ท่านเคยเียนเจตโงมันโบมันสอนตั้งหนึ่งบอกวดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไปทำความสงบไปก็คือให้มีจิตเป็นหนึ่งให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเลยั้เวลาที่เราพรานาไปบางวันเนี่ยคงสั้นมากตัวเลยไม่รู้เรื่องแล้วทำจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งทอะไรไม่เป็นกนึถึงพพุทธเจ้าไปเข้าพุทโทในใจคิดถึงพระทเจ้าไปรู้ส่วนคนไปเรื่ย แต่เราไม่วอแกแวกแต่ที่อื่นนะใจอยู่ของการสวงบอดไม่ดีกันไหเลยสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เป็นสมาธิชนิดที่เอาไปพักผ่อนจะทําให้จิตมีเร็วมีไรงควรจะทำํำควรจะทําแต่ต้องรู้จักสมาธิชนิดที่ 3. สาสมาธิชนิดที่สามจะเป็นสมาธิที่สําคัญมากมนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาและเป็นสมาธิที่อาภัพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จัก สมาธิชนิดนี้นะเป็นสภาวะที่จิตตั้งมัน่นไม่ใช่สงมบมนาตั้งมัน่นจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญปันนเมืสักสาสปีก่อนในเวลาเข้าไปหาครูบาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นนะท่านจะสอนลูกทอด ใ, ให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกปันให้จิตตั้งมัน่นนั่นเองอย่างหลวงปู่สิมที่เจอหลวงพนะ่อท่านเรียกเขาว่าผู้รูนะ้ ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้เลยเรียกหลวว่าผู้รู้เปนจิตเราตั้งมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่รู้ดุจซื่อบื้อนรู้ตื่นและเบิกบานด้วยแล้ารู้เราแหกแรงแข็งกระด้างเป็นตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ยังมี2องนั้นนะรู้ที่ถูกและตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยจิตหลงลบเบาคล่องแคล่วว่องไวเกินแก่การงานจิตเป็นหนึ่ง นะสบายผู้ตัวเป็นหนึ่งนะอารมณ์เรียเป็นแสนอารมณ้าน อ, อารมก็ไนดะ้คืออารมณ์นั้นเกิดจากตลอดเวลาหมุนเปี่ยนเถลีแปลงไปนะตามองเห็นรูปจิตเป็นแค่คนดูหูได้ยินเสียงจิตเป็นแค่คนดูจะบวมได้กลิ่นจิตได้ร้อนกายกระทําสัมผัสใจคิด น, นึกจิตเป็นคนดูต้อมาฝึกท่านให้จิตมันเป็นคนดูขึนนนน้นมาครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้หลังๆนี่คำว่าจิตผู้รู้หาไปจาก โครการกรรมฐานนะไม่ใค่อได้มีใครรู้จึงรับพิธีการก็จะนั่งสมาธิทาปั่นสงบตกไปสู่สมาธิชนิดที่หนึ่งที่สองถ้าขสติก็เป็นวิชาสมาธิถ้ามีสติแล้วแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารัมมณกปิชานนะวิธีที่เราจะฝึกให้ได้สมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มั่งมีตัวนี้พวกเราควรจะเรียนให้ดีนะมันคือการเตรีิญฟังร้อมของจิตก่อนที่เราจะไปเจฉิยปัญญา ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระปราที่ถูกต้องนะเจะเดินปัญญามีได้จริงหรอกจะตลายเป็นการไปเพ่งไปดูกายก็เพ่งกายไปดูใจก็เพ่งจใจใช้ไม่ได้หรอกกลายเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์มันอยู่ก็คือกลายเป็นอรนรนารมณ์อนิสสารีอย่างดูทองของยุก็เป็นเพ่งอยู่ที่ทองเนี่ยก็กลายเป็นอารมณ์อนิสสาระไม่ใช่วิปัสสนาะวิธีที่เราจะฝึกให้จิตของเราเป็นผู้รู้ผู้มื่น ท่างแรกเราค้อยๆชังเกกจิตของเราเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นผู wrong, no like world, the shameful, cả, ้รู้หรอกแต่ว่ามันเป็นผู้ชินผู้นึกผู้หลงผู้แต่งจิตของเราเนี่ยหลงคิดลงนึกลลงหลงลงแต่งทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่ลงชิดนึกหลงแต่งตลอดไม่เคยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บังากเเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะลงอสอนยแรกๆนั้นยังปดปดเลยได้นเมื่อในโลงที่มันไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวเลยมีแต่คนหลง ทำสมาธิก็ลงนะลืมตัวเผยจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์เดียวใช้ไม่ได้เลยสมาธิอย่างนะวิธีที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้ดูเนี่ยมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานนะยุคนี้อาจจะทำยากหน่อยอย่างเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแต่เกณฑ์ได้ดีนะลมเข้าเพิ่มเาใหาใจออกลมหาใจเข้านะ่ พิสูจน์ทั้งหลายให้เธอควบบังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวส่วนใหญ่เราจะชินที่หายจเข้าก่อนพวกเราต้องให้ใจออกก่อนนะแล้วก็รู้ให้ใจเข้าหายใจออกแล้วรู้แล้วก็ห้ใจเข้าลองดูสิให้ใจออกก่อนอ้าวกลับไปนิยุดต์กไปนี้ให้ใจเข้าก่อน มันต่างกันดวงไหใจมันจะแน่แนแ่นปึ๊กขึ้นมาเรื่ะนเพราะะัในตำราเนี่ยถ้าพูดถึงไหใจออกไหใจออกล้วนไห่ใจออกยาวเพราะว่ายากทำายา ว, ายาวแรกๆลมมันจะยาวนะลมไปถึงท้องต่อมาพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื่นตื่นตื่นจนกระทัไปหนะยุดหลยจนะลมจะหยุดพอลมหยุดแล้วลมจะเปลี่ยนสภาพเป็ น, สนแสงตอนที่เรารู้ลมไหลขึ้นไหลไลงเ น, นี่ยเรียกว่าปฏิกรรมจิต แ้วกนะ็ลงมานยุด น, นะมันกลายเป็นแสงสว่างเรียกว่าบูคาห์นิมิตบิดเราก็เล่นกระแสนะจิตเข้าอยู่กระแสนี่ไม่หนีไปไหนเลยเนดะจนกระทั่งเรากำลงกังลงมานะเข้าปลายเข้มแสงนี้เข้มมากเลยหรือทให้ขยายใหญ่หญหญเลยถาทิฏฐจัดก็ได้นะเล่นอย่างนี้เล่นภาพปฏิภาคนะปฏิภาคนิมิติเราได้ปฏิภาาเล่นเนะี่จิตมันจะมี ม, มิตก์หรือการตึงหรือในแสงสว่างมีวิจารหรือเขา้าเคลียอยู่ที่แสงสว่าง มีปีติมีความสุขมีความเป็นเลยมีจิตเป็นคนตรงขึ้นมาเป็นหนึ่ ง, นนนนงแต่จิตเนี้ยยางไรก็ที่แสงสว่างอยู่เพราะฉนกระในะ ป, ประชานเนี้ยตัวรู้ยังไม่เกิดเลยในประชานตัวรู้ยังไม่เกิดถ้ามีสติรู้ทานว่า ต, ตอนนี้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่แสงวิตตกวิจารจะดับกันจะมีปีติสุขเอกภตาขึ้นมาในฌานที่สองเนี้ยพระพุทธเจ้าพูดถึงสั่งอยู่คำเดียพระสุล ใช้คาวา่าเอโกที่ภ า, า, าวะภาวะแห่งความเป็นนึงก็คือภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเลยจะเกิดในชั้นที่สองแล้วสามสี่ห้านี้นจะมีหมดนะในชนั้นที่แปก็ยังมีตัวรู้ตัวนี้ถ้าเราได้ตัวรู้เรื่องวิจิตที่ทำฌานมาเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตัวรู้ตัวนี้จะส่งตัวอยู่นานแต่ไม่เกิดเจตปัญจะเจตปัญก็เสื่อมของเสื่อมอีเพราะยังเป็นโลภิยญาเป็นสมาธิโลภิยญาติเนี่ยจะเสื่อม ถ้าพวกเราคำฌานไม่ได้ก็พอใจวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือเราคอยรู้ทันจิตของตัวเองอาศัยสติเ น, เนื้อทันจิตของเราจะไหลไปไหลามาตลอดเวลาเดี๋ยวิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดื๋ยววิ่งไปคิดจิตมันวิ่งไปวิ่งมาทุก บ, บัดนึกคืนหลวพ่อจะพาให้พวกเราทุกคนในห้องนี้ดูนะว่าจิตมันวิ่งไปคิดได้หลวพ่อจะยื่นพูดแล้ว่างที่หลวพ่อยุดพูดเนี่ยหามควบรับคิดนลนยะห้ามคิด น, น, นั้นห้ามไปอีกล่ะ เห็นจิตเปคิดนไหมมันไม่หลุดลอยถูกไมันจะแบ่งเป็นชิ้นนะจะไหลไปไหลามาเวลาเราดูจิตเราก็จะไหลไปดูเราดูสิวทั้งหลังเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่นะองค์ใหญ่นะั้นให้ดูองค์ใหญ่แล้วสังเกตว่ายอดทองท่านส่วนยอดทองท่านนั้นเป็นแบบใจสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปจิตเราไปอยู่ที่พระถูกไหม จิตเราไหลอยู่นอกนะไหลไปทาต่างเวลาเราไปดูจิตเราไหลไปทางต่างเวลาเราฟังจิตเราไหลไปทางหูเวลาเราคิดจิตเราไหลไปในทางใจจิตนั้นมันไหลตลอดเวลาเลยถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลนะเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะง่ายกว่าเดินลือไม่ออกนะอันง่ายที่สุดเราต้องซ้อมเาเรื่วิธีการนะของเราที่มานั่งดูพราก็จรูปก็ได้ หรือทำอะไรสักอย่างเนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหลับตาก็ได้นะครับพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหรือรู้ลมหายใจไปแล้วคอรู้ทันจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตหรือหายใจแล้วก็รู้ทันจิตรู้ท้องผ่องลแล้วก็รู้ทันจิตการรู้ทันจิตนี่แหละจะทำให้เราเป็นพราจิตมันดีขึ้นตลอดเวลาอย่างเราพุทโธพุทโธอยู่แป๊เดียวนี้ไม่ที่อยู่มันีขึ้นคิดเท่าไหร่ หรือเรารู้ลมห่ยใจหรืนะบางทีจิตก็ไหลไม่เข้าไปอยู่ที่ลมหายใจแต่จิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนั่นจิตจิตต้องเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นแต่จิตเคื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเรารู้ทนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตแต่ตัวนี้สาคัญมากนะกว่าที่เราจะเดินปัญญาเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสระกอบกับมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบักจิตตัวนี้จะเบานานุ่มนวลหลอนโยนคล่องแคล่วว่องไวเกินในการนั่ซื่อตรงในการรู้ลา ไม่โลกไม่ตรวจไม่หลงนะแต่รู้ซื่ อ, อไม่ใช่รู้ประยักรู้ด้วยสามแบบนั้ต้องสอบฝึกให้ได้จิตชนิดนี้ขึ้นมาก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็บอกว่าต้องฝึกสมาธินให้ดีก่อนนะถึงไปเจริญปัญญาได้แต่ต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดสมาธิผิดชนิดเนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญญาอย่างฤๅษีชิ้ไปก็ฝึกกันมานะทำไมไม่เกิดปัญญาเจ้ชาชายเศรษฐาออกแต่วงมางานแรกที่ไปทำของอือเป็นฤๅษีไปหันนั่งสมาธิ ก็แบบเดียวกับพวกเราแหลคิดถึงการปฏิบัตนะิสิ่งแรกที่พวกเราทำกนะ็คือหันนั่งสมาธิคิดนะแบบเดียกักนเนเจ้าชายสทัตะนะาชายสตถะเปนั่งสมาิก็เรือีอยู่ในอารมณ์นเดียวนะ้แล้วท่านพ ว, ว่าไม่ใช่า้ท่านตองตอนหลังไปทรมาน ก, กายนะแะตอนหลังมันนึกได้สมาธิตั้งเด็กๆตอนท่านอายุ1ขวบไรเนะีเ่นยทเกิดทาสมาธิตั้งธรรมชาติ ท่านห้ใจไปด้วยคามู้สึตัวห้ใจใด้วยควรูสึกตวได้ประบฌานจิตตั้งมั่นขึนาเพาะท่านนึกถึงสมาธิชนิดจิตตั้งมกกันเพื่อเนรตัวเดินรนตกรรมสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาจนจิตถึงฌานที่สจิตมีอุเบกขาเสร็จแล้วจิตพร้อมแล้วที่จะเดินปัญญาอันนี้นสาหรับทนที่ทำาถ้าพวกเราทำานไม่ได้เราไปดูท่านจิตที่ไหลไป จิตไหลไปคิดรู้ท่านจิตไหลไปชิดรู้ท่านจิตไหลไปเพ่งรู้ทันเวลาเราทำธรรมทานเนี่ยจิตจะไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งถ้าอยู่ข้างนอกในชีวิตธรรมดาเนี่ยไหลมากเดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังไหลไม่ตดกลิ่นไหลไปรู้รถไหลไปรู้สัมผัสที่กายไหลไปชินสัมใจมีไหลผงช่องมากไปทำยากเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนั้นแบกไปไห้เลยเอาวนาในรูปแบบแต่ทาธรรมทานอะไรก็ทํำสิ่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไป จะไหลสองช่องไหลเข้าไปในกายกัไหลไปในจิตจะไหลอยู่สองอย่างเช่นรู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตไหลอยู่จิตท้องของลมเนี่ยให้รู้ทันเดินจมพงจิตไหลไอยู่ที่เท้าให้รู้รทันหรือไหลไปในจิตให้รู้ทันฝึกไปมากไม่นานเรียนฝึกให้มา ก, นะมากๆถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตัวผู้รู้ที่ฝึกมาตางธรรมชาติธรรมดาจะรู้ตื่นแะเบิดบมีความสุขด้วย แต่ตัวรู้อีกชนิดหนึงเมันเป็นตัวรู้หลอมหลอมคือพวกที่เคยเห็นตัวรู้ต่างที่เคยฝึกมาเนี่ยาเป็นจำตัวรู้ได้แล้วตัวรู้มันเป็นอย่างนี้อยู่ๆก็จงใจกับตัวรู้เลยไม่ค่อยรู้ทันจริงๆี่เคลื่อนแล้วต่นี้อยู่ๆก็บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนไหนบังคับให้มันหูุดตัวไป้นมาเลยจิตมันจะแน่นนั้นตัวรู้ยังมี2อย่างนะตัวรู้ที่รู้ตื่นเบิกบานเบาสบายลองแก้วว่างไปนี่แบบหนึ่ง ตัวรู้อีกตัวหนึ่งเหมืนตัรู้อยู่นั้นแต่หนักหนักแน่นแนแข็งแข็ทื่อๆอยู่ตัวรู้อย่างมีตัวรู้หลอกใช้ไม่ได้จริงนะจะให้เป็นตัวรู้หลอกก็เป็นตัวรู้จริงเมื่อเราได้ตัวรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนคิดว่าพอได้ตัวรู้แล้วมีความรู้สึกตัวขึ้นมแล้วนะตัวนออกอย่างโลกของความคิดแล้วอยู่ตรงนี้เฉยๆแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่คนไม่บรรลุหลอก ต้องโน้มน้อมจินตไปเพื่ออย่างศาสนาพระเจ้าใช้ใจกับดีนะว่าน้อมน้อมจินไปเพื่ออย่างศาสนะอย่างศาสนะว่าเห็นการเห็นที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นเฉยๆยแล้วเห็นประกอบด้วยปัญญาอย่างเราเห็นเข้าวองเห็นเข้าวยุบเห็นร่างกายใาจจเข้าเห็นร่างกายอาจออกอันนี้เห็นเฉยเฉยไม่เรื่องปัญญาศาสนาไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาจะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นไตรลักษณ์ ถ้าไม่เห็นไตรลักของกายไม่เห็นไตรลัก์ของใจไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะแล้วอยากเห็นท้องฟอเห็นท้องยุ้ไม่ใช่วิปัสนาถ้าเห็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราไม่นชทียมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตเป็นเทียเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหตุนี้จึงเป็นวิปัสนาต้องเห็นโดยไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าหัดใหม่ๆบางคนคนจิตมีสมาธิน่ะโดยังพาะพวที่เป็นเข้าสารมาทำสมาธิลึกๆมาเนี่ยออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันจะเฉยๆ มันจะเป็นติตนิ่งจิตเฉยอยู่ตรงนี้ครูบาอจารย์ก็ออกอุบายนะเป็นอุบายนั้นให้คิดพิจารณากายคนควางรงไในร่างกายบางท่านก็จับร่างกายฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางท่านกำหนดจิตนะเป็นไฟเผาร่างกายให้หมดไปเลยนะบางท่านก็พิจารณาร่างกายแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเป็นปฏิบูลณเป็นสุภาอะไรเนี่อันนี้เป็นอุบายเพ่ให้จิตจิตนิ่งจิตเฉยทำสาระที่มากไปนะทำสาระที่ลึกลึกลลจิตมันไม่ยอมเดินปัญยา เพิ่ั้ตั้งหมู่บให้คิดที่เจรนาตรงที่คิดที่เจรนาย่งไม่ใช่วิปัสนาห์นะวิปัสนาไม่ใช่คิดคิดในะภาษาแขค้นเรีว่าวิ่ตควิปัสนานะไม่ใช่วิ่ตควิปัสนาเพาะเห็นเห็นตรงความเป็นจริงแล้วพอเรามีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้กบ่ากว่าแล้วเนี่ยเราค่อยดูกาทํางานืูใจทํางานถ้านี้ใส่ใจพอของเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรัก ง, งาก ไห้ดูกกายถ้าเราเป็นคนคิดมากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความเห็นกับเขาได้ทุกเรื่องนะใครเขาทำอะไรที่ไหนต้องออกความเห็นทุกทีเลยนะอดไม่ได้เพราะเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นพว ก, กชิดมากเนะี่ยให้ดูจิตนะเบื้องต้นดูกกายก็ได้ดูจิตจะได้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันกายเวทนาจิตธรรมเลสติปัฏฐานสนะีไม่ใช่ประตูตสี่ชั้น บางคนกาใจผิดว่าต้องเริ่มที่กายมันก็ไปต่อเหตนาเข้าเข้าจิตตเข้าธรรแค่จริงสติประสานสี่นคือประตูเมืองสีทินเข้าประตูไหนก็เข้าถึงปฏิปัน์เหมือนกันตมงสิ้น น, นี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเลยนะในตำราตำราเ็ามีครูบาอาจารย์กขสอนมาอย่างหลวงพ่อเองเรียนจากคบาอาจารย์หลวงพ่อสึกสมาธิมาแต่ตด็สมาธิอยู่22ปีสมาธิเ น, นี่สำคัญสำคับ ไปเจอหลวงปุดุลทีแรกก่อนจะเจอหลวงปุดุลเนี่ยได้นาหนังสือของครูบาอาจารย์วงอื่นๆท่านสอนให้คุ้นโทรแล้วพิจารณาต่างกายแล้วเราทําสมาธิมามากก็ไปดไกายดูเส้นผมของผมสลายตุกทันทีนะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระหลกหัวขาดเลยสมาธิเป็นแรงเดูร่างกายประมาณเนื้อหนังหายไปหมดเลยแต่กระดูกดูกระดูกลงไปกระดูกระเบิดเลย กต า, ายเป็นชินเล็ชิดนน้อยตูลงไปอีกหลายเป็นแสงสว่างสลายตัวหมดเลหดลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ไปต่อไม่ได้กันไม่รู้ไปเลยลรเราก็ไม่อชอบตูมกายเลยรู้สึกจืดชื่นตื่นเกมือนแม่จริในใสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันพอไปเจอครูบาอาจารย์นะทันแต่งหลวงปู่ดุลเมือหรือก็ท่านหลวงตามหาพุทธวูบาอาจารย์อะไสอนหลวง่อหูสิมหลวงู่ศุตอะยเนี่ยมีแต่สอนแล้วเข้ามาที่จิตทั้งหมดเลยพอท่านดูตูตามจริญญาสัยแตคน แค่หลวงพ่อเนีชช่ยตอนนั้นต้นเดินปัญญาด้วยอการดูทั้งจิตนะัวจิตที่มันเกิดดับเสกแปลงเดี๋ยวจิตมันสุขเดี๋ยวจิตมันทุกข์เดี๋ยวจิตมันดีเดี๋จิตมันร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่ฟคราวไม่เห็นมันเกิดดัำจิตตลอดเวลาเห็นจิตวิ่งไปดูแล้วก็ดับเห็นจิตวิ่งไปฟังแล้วก็ดับจิตวิ่งวิ่งจิตแล้วก็ดับก็นจิตเกิดดับอย่างนี้นะเดินปัญญาอย่างนี้เห็นแต่ของไม่เช่ยเห็นแต่ของที่มันเป็นเอง สุมันก็สุกเองนะสั่งให้สุกมันก็ไม่ฝังสุก ข, ขึ้นมาแล้วสั่งให้อยู่นานๆมันก็ไม่อยุ่เนยบังคับไม่ได้อย่างที่ว่าเห็นอนันต์ตาเวลามันจะทุกข์นะห้ามทุกข์ไม่ให้เกิดมันก็เกิดเกิดแล้วสั่งให้หายเดร็วๆมันก็ไม่หายนี่มันเป็นอ น, นันต์ตามันบังคับไม่ได้แล้วยหลวงพ่อเดินปัญญาเนี่ยเริ่มต้นเรื่องการดูจิตเราเลยนะครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจิตอนะไรทั้งสอดนี่ยทำอย่างนี้เลยหนะลวงปู่ดูลเองหลวงปู่ดุลณ์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วย หลวงพ่ดูลเรียนจากหลวงูมัน่นหลวงพ่ดูลภาวนานะเข้าใจกลับมาเบื้องต้นประมาณนี้แล้หลวงูมันก็สอนให้หลวงพ่ดูลดูจิตเลยไม่ใช่ว่าต้องทาไปถึงขั้นหนังขาดก่อนแล้ไปดูจิตทีหลังนะบางส่วนใหญ่กจะดูกายไปก่อนแล้วค่อย ไ, ไปดูจิตทีหลั ง, ลลงดังนั้นแล้วจจะรีสัยที่พวกเราถ้าเป็นคนเมืองพวกเจ้าบังคิดเจ้าบังเหน มีความคิดมีความเห็นมากวันๆนี้คิดทั้งวันทํางานปัญหาคิดนึกคิดเอาคิดนําไม่ได้ออกไม่ออ ก, ออกแรงอะไรทำารใดนาอะไรเรื่องใจของเราในเได้ไมันคิดเนยเดี๋ยวมันก็สุดคิดไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์คิดไปเดี๋ยวมันก็ดีคิดไปเดี๋ยวก็โล่ดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงให้เรามีสติตั้งแตเลยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจ เดี ate, ango, see, along, opinion, opinion, ๋ยวสุเด so ี iny, ๋ยวทุกขเดี๋ยวีเดียวร้ยเห็นอยู่นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใจเราเป็นคนดูนะแล้วก็เห็นจิตมันขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราไม่เกี่ยวข้องนะเราไม่ได้พอนาเสุขเราสงบไม่ได้พอวนาเดีเพราะความสุขมันมีเที่ยงความสงบมันมีเที่ยงความดีไม่เที่ยงเราพอวนาให้เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจภาวนาตามดูตามดูนะเนี่ยถนัดดูกายก็ดูกายไปเห็นหน้ากายมันทํางานใจเป็นคนดู ร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูดูไปเรื่อยมันจะเป็นเต้นร่างกายนี้มันถูกความทุกบิบคันอยู่ตลอดเวลาทําไมมันต้องหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างมันหนีทุกข์นะมันหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกข์มันก็หายใจออกแก่ทุกข์หายใจออกแล้วมันก็ทุกข์มันก็หายใจเข้าแก่ทุกข์แล้วมันหนีทุกข์ตลอดเลยทําไมนั่งยืนต้องเด็นอิริยาบถไปเรื่อยนั่งเป็นอิริยาบถหนีทุกข์อีกนัเนี่ย นั่งนานๆเมื่ อ, อยเลก็ alle, ต้องกระยับไปกยับม า, ามันดีทุกข์อีกเพราะตัวร่างกายนะถ้าเรามีสติรู้อยู่ใจเร า, าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เลยจะเห็นเลยร่างกาย เ, ยเป็นก้อนทุกข์จริงๆเลยนะเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีทุกข์มีเสศษเลยเศเห็นอย่างนี้นะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกกินนานๆทับทายนะจะเห็นแต่ธาตุนี่มันมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรา เ น, นีพราะน้าถ้าดูกายนะมีจิตเป็นผู้ดูเดีถ้าเกินไปดูกายแล้วจิตไหลไปอยู่ในกายจเป็นการเข่งกายไม่เดินไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นกายมาทำงานจะรู้สึกเลยนีรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราหรนะไอ ต, ตัวนี้ไนตัวที่พยักามนัง่งรู้ๆๆนี่ไมาใช่เราหรอกนะจะเห็นอย่างนี้เลยถ้าดูจิตดูใจนะก็ให้มันจะทบ อ, อารมณ์ตาเห็นรูปความ ร, ารู้สึกมันเปียนรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทัน ใจคิดนึกความรู้สึกเอลี่ยนรู้ทันเป็นพวกเดินปัญญาด้วยการดูจิตดูใจก็นะจะเห็นเลยว่าสมก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวตี ก, ก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวอย่างดูกายเนะี่ยจะเห็นทุกง่ายในนันตาือว่ามันเป็นควานธาตุไม่ใช่คนเราเห็นทุกมันทุกบีบคั้นอยู่ตลอดแต่ัวจิตจะเห็นอนิจจาวนันตานะดูจิตเนี่ยไปดูให้เป็นทุกใหนุยยากเลยว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยผู้ตื่นผู้บิบา แม้มันมีความส่งมันสว่างสบายมันแบบบาตมันะดูไงเป็นทุกมันไม่เอกลเพราะฉะนั้นตะัวจิตตัวใจตัวนิจจนะแต่วความไม่เทีย่ยงจิตเราที่กลับกรอกยอบยอบ้อนก็เร็วที่สุดเลยใช่ไหมยุกหนึ่งรักคนนี้เดี๋ยวก็เบื่อคนนี้ชอบคนโน้นเนี่ยจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวอยู่บ้านอยากมาฟังเพลมาถึงบ้านกินข้าวเสร็จอยากกลับบ้ า, อานองเร่จิตมันนะเปลี่ยนเ่ให้มีสติดูมันเข้าไปดูเข้าไปตบจม ไม่ปไปแทรกใส่เลยจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแนละ้วมันเป็นไปเองไม่ใช่เราสั่งจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันเป็นได้เองไม่ใช่เราสั่งตรงที่เห็นว่ามันเป็นเองไม่ใช่เราสั่งนี่ว่า น, น้ำตานะนี่แหละจะภาวนานะขั้นแรกฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูเสียก่อนด้วยการดู้ทันจิตที่ไหลนะจิตไหลพิคิดรู้ทันจิตไหลเป็นเพ่งรู้ทนแล้ได้จิตที่รู้สึกตัวภาษาไทยมีคําย่งนะั้น มันถ่ายทอดได้ชัดเจนเลยครั้งแรกรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กั่เนื้อกั่ตัวรู้สึกไหมจิตใจอยู่กั่เนื้อกั่ตัวนี่แหละสมาธิที่ใช้เดินปัญญาในสมาธิที่เมื่อเกิดแล้วนั้นจิตใจจะอยู่แต่เนื้อกั่ตัวมีกายไม่ลืมกายมีใจไม่ใช่ลืมใจถ้าสมาธิอย่างนื้ น, นะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจแบบสมาธิึืมลงไปนะร่างกายหายไม่ลื ร่างกายหายไปเลยบางทีถ้าขาดสตินะ่ะจิตก็หายไปด้วยใช้ไม่ได้เลยเหตุน้อยเรื่องจิตไม่อาจตัว่างดีฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะขั้นเบื้องต้นฝึกให้ใจเป็นคนดูตรวจสอบในโลกของความคิดความเห็นให้จิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวและจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวแล้วเนี่ยดูกายเขาทำมาดูใจก็ทํามาถ้ากายมันแสดงอะไรออกมาแล้วเรารู้ได้ชัดเรารู้กายไปกายจะสอนให้เห็นเมันเป็นทุกข์ มีแต่ทุกทั้งนั้นในกายนี้เห็นแต่ความไ ม, ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุกข์ก้อนธาตุถ้าเห็นจิตเห็นใจชาตเราก็ดูจิตดูใจแทจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นแต่ว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนันตตาเนี่ยฝึกอย่างนี้นะันการเดินปัญญาดูจิตได้ให้ดูจิตนี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย โดยจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทาความสงบไว้หลักของการปฏิบัติเราจะวนเวียนอยู่แค่นี้เองนะท่านสอนให้ทราไปว่าทําความสงบจะให้มันมีแรงขึ้นมานะดูกายขึ้นมาดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมท่านสอนแบบนี้นะดูกายแล้เห็นจิตดูจิตให้เห็นธรพมีคมรังหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงคู่ดูลยตอนนั้นท่าเป็นแต่ตามบัติครูบาอจารนะแต่อย่างหลวงพ่อ หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้ไปตอนที่ออกภาวนาเนี่ยชาท่านหันพาดเนต้องนอนนะไปแล้วก็จะไม่ได้ไปเรียนด้วยหรือลงปู่เวนยังไม่ได้ไปเขกล่าวว่าไปแล้วก็ไม่ได้ไปเรีนด้วยก็จะเป็นอาหารครบัอาจารที่สอนไปอยู่ตะเวนตะเวนไปนั้นก็ได้ยินท่านสอนคนอื่นให้พุทโธพิจารณงกายหรือหายใจแล้วก็สังคมละมาพิจารณงกายสอนแบบที่เป็นส่วนใหญ่เรางพไม่ได้ดูกายไม่ชอบหลวงปู่เดิมจะให้ดูจิต วันหนเกิดสงสัยไปถามหลวงพูดูนหลวงปู่ข้ามหลวงปู่ผมไปที่ไหนที่ไหนนะั้ครูบาอจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยสอนให้ดูกายผมจะต้องกลับมาดูกายไหมหลวงพูดูนหัน ม, มองหน้านั่งแบบสัตเมตต์นะนเรานะถามในไรโมง่แต่ท่านไม่ว่าหอกแต่ท่านมองอย่างนี้เลยนะแล้วท่านก็สอนให้บอกว่าที่เขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตเพราะว่าเห็นจิตแล้วเห็นเราอะไรกับกายกายเป็นของทิ้ง กายเน่ยเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราจะเอาเจ้าของบ้านเราจะจับตัวเจ้าของบ้านไม่ได้จะจับตัวมือน้าจ น, นในใจเราเนี่ยอยู่ในตัวเนี้ไม่เอาที่ตั้งกายหรอแต่บางคนต้องดูร่ากายก่อนเพราะดูจิตไม่เด่นถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แค่เข้าที่จิตเลยเท่าะอะไรก็เข้าที่จิตได้นะั่นอัคคุศลก็เกิดที่จิตถึงโรภ โ, โกรดลงเ ก, กิดที่จิตใช่ไหมไม่ได้เกิดที่กาย กุศลทั้งหลายเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายมรรคผลก็เกิดที่จิตอีกเราจิตนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรทั้งหลักทั้งปุ่จับหัวหน้าโจมได้ก็เอาก่อนเลยนะจับหัวหน้ามันไม่ได้ก็ไปร้องบ้านมันไว้ให้จับโจมทีหลังเพราะฉะนนถ้าเราดูจิตดูใจได้ดูมันเข้าไปถ้าดูไม่ได้ไปดูกายก่อนถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้คุณโทไปหายใจไปก็ยางดีกว่าไม่ทําอะไรเลย นะพุทโธพุทโธเป็นตายหรือว่าพุทโธนะก็ยังไปสุคติได้นะถ้าถ้าพุทโทสักคำหนึ่งก็ไม่เอาก็ไม่ไหวแล้วครับหรือหายใจก็ไม่เอาเลยถ้าหายใจทิ้งตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันเสียดายชีวิตเราหมดไปทุกลงหายใจนอกชีวิตเรานะหมดตลอดเวลานะายใจข้าครั้งหนึ่งชีวิตหมดไปทีหายใจออกทีชีวิตก็หมดไปทีสร้างตรงไปเรื่อยๆเราจะไปหายใจจริง แต่ ะ, ะใจเรารู้สึกไปรู้สึกไปก็อย่างเดียวอยาน้อยได้สมาธิขึ้นมานะแล้วก็ถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกลไปนี่ฝึกอย่างนี้แหละฝึกไปเจ็ดวันเจเดือนเจปีฝึกไปนะควรจะได้อะไรบ้างโยงไปพวกที่เหลวเลิศับพวกที่ดีเลยพวกเหลวเลิศเช่นขี้เกียจใครขี้เกียจบ้างเวลาส่งกันบ้านอย่ามาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะหนูขี้เกียจจะ ท, ทํายังไง ขี้เกียจมันจะไปทำอะไรอ่ะขี้เกียจก็ไม่ทำมันสิใช่ยังมีหน้ามาทาม่รูขี้เกียจจะทำยังไงหนูขี้เกียจหนูก็ไม่ทำมันสิเพราะนั้นลรคขี้เกียจเนี่ยแสลงมากเลยนะสาหรับหลวง่อพยายามอย่าง้นเรื่องขี้เกียจก็ระดับหน้าขยันไว้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะช่วงนี้มาเชียงใหม่คนน้อยลงนะคนไปเดินขุวนอยู่กรุงเทพเยอะคนเชียงใหม่เนี่ยเดินเจออยู่กรุงเทพเยอะแยะ ทีน่น้อยลงคนน้อยลงในเบนะือนั้นไม่รู้จะตายเมไ่อไหร่ความตายมาถึงเราเมืไหเดินเดินมาเจอสะุดหกล้มัวแตงตายกูไดไ้ไม่มีใครมาทาอะไรกนตายได้บางคนกินข้าวสำรักข้าวตายกูมีก็เป็นอกย่กกินข้าวสำรักข้าวตายหาย ใ, ใจไม่ออกความตายมาถึงเราเมาื่อไหร่มา ไ, ไ, มได้ยังประมาณอหญ่ชี้เกียร์ยาามรู้สึกตัวไป ใหใจอยู่กับตัวเองแรงรูกายทางานรวยใช้ทำงานถ้าขยันดูนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดคว ร, จ, รจะได้อะไรดูเป็นพวกแย่มากเลยพวกไม่ยกดูหรือพวกที่ทำคำชั่ว น, นักหลักค่าพ่อค่าแม่ไม่เงี้ยนะเพระน้ำไม่ขึ้นนะพวกเราใครค่าพ่อค่าแม่บ้านมีไหมในนี้มีใครบา้านไม่ยงมือซิมมีไหมไม่มีนะรีบเอามือลงกันหมดเลยบางคนจะลังจเก่านะที่รางงุนถึงวตข้อหนาะ ข้าพ่อข้าแม่ข้าตละหันรือทำกำหนักนักหรืทำสารพเภนคาะวาทำสารเยนไม่ได้ต้องพลงกระพรากนะทำสรเภนได้พุกลับเป็นคารวะเราทำสารพเภนไม่ได้ไม่ได้ทำระดับปริยกรรมเปิดอีกมีแต่เรื่องข้าพ่อข้าแม่ไม่ได้ทำธุระหีเจ้าพ่อพระีไม่มีให้ทำเกิดลูกไม่กี่ตัวข้าตาละหันก็เราไม่ได้ทำกำช่วยอย่างนี้นะวราก็ควรจะได้อะไรบ้าง ถ้าขยันนะขยันดูบ่อยๆแต่บางคนดีเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันพวกที่ดีเกินไปก็มีนะเหมือนกันพวกบางพุทธภูมิภาวนาไปแล้วใจคิดอยากเป็นพุทเจ้าพวกนี้ใจจะไม่หวมเพราะมันตะัดกิเลสจะภาวนาไปเรื่อยสร้างบารมีไปเรื่อยถ้าเราไม่ได้ดีเลิศไม่ได้เล็งเลิศอย่างที่มากนะภาวนาให้สม่าเสมอเจันเจเดือนเจ็ปีควรจัดได้อะไรบ้าง มาผลิตภานไม่ใช่เรื่องเดือมีิสัที่คนธรรมดาธรรมดานี่พวกเราจะทําได้พระธรรมะที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนะสอนสอนคนธรรมดาอย่างเราไม่ได้สอนสุดประมณที่ไหนหรอกมาษาคนอย่างพวกเราที่เนี่ถ้าเราไม่ได้มาไปบ่อนดวงมาตั้งแต่กำเนินนะไม่ได้เป็นผูกคนอาภัพมาไปก่อนดวงเรียนธรรมะไม่ได้เรามีหูมีตามีใจปกติเรียกว่าเรามีต้นทุนที่ดีเราอย่าชี้เกียจเพรนั่นแหะให้ฝึก จิตใจใหอยู่กับเดิมแต่ตัวแล้วดูกายดูใจทำงานไปแต่คื้น่านต้องมีหรือต้องรักษาสิทธหถ้าไม่รักษาสิทธิห้าใจจะฟุ้งนะทําสมาธิไม่ได้ใจจะไม่สงบใจจะไม่ตั้งมั่นจเจริญปัญญายากมันต้องมีสิทธนะตั้งใจรักษาไว้มีสิทธิห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเดิมแต่ตัวดูกายทํางานดูใจทํางานดูไปเรื่อยไปบางผล น, นี่ผ่านไม่ได้อยู่ไกลหรอก อยู่ต่หน้าต่อตาเรานี่แหละนิพพานบางคนถึงว่านิพพานอยู่ไกลนะอีกนานกว่าจะเจอนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพานอยู่ต่อหน้าต่อตาูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าพอเจอแล้วท่านแค่เงยกตัวเองเลยอกด่าตัวเองเลย่าโง่แท้ลบอกโง่แท้นาของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่รู้ไม่เห็นทำไมเราไม่รู้ไม่เห็นนิพพานซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา นิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสเลเรายังมีกิเลสเราเนี่ยไม่เห็นใจเราไม่มีคมุณภาพนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยา่างแใ่เราอยากรวดอยากเนี่ยไม่เอ็นเลยนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความหลงแต่งใจเราหลงทั้งวัน เ, เลยหลงดีบ้างหูงชั่วบ้างก็เลยไม่เห็นนิพพานิพพานเป็นสภาวะที่จิตมันคลันไปจะกาจันทัดนะใจเรายึดแต่ธาตุจันัดอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่เห็นนิพพานนั้นมาพัฒนาใจให้มีคมุณภาพนะ วันนึ่งใจมีคุณภาพมีปัญญาแก่รอบแล้วด้วยสีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นพลังภาพอยู่ต่อห น, น, น้ตนตนนาต่อตาเราเองไม่ได้เป็นอาที่อื่นต้องฝึกนะอย่าให้เสียชาติเกิดต้องฝึกไม่ได้นะอย่างน้อยชาตินี้พอสุดาบันก็ยังดีไม่ได้เลื่อนิสัยเราคนสมัยพุทธกาลทำไมเขาทำได้เขาไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะเลยแต่พวกเราเจ้าเรียกว่าเขาเราจะเจ้าเรี้ยงหน่อยนะคิดมาก ชิ้เก่งคนรุ่นเราเนี่ยคอหาจะต่างกันหลวงพ่อเนยเรื่อหลวงพ่อเนี่ยบอาจารย์ให้ทาอะไรนี่ทาเลยเดท่านบอกให้คุณโทก็คุณโทเลยหลังเ็จคนไปหาท่านรีท่านให้ใส่เข้าุูกให้ใ่ออกโททําไมเลิเลยไม่ต้องสัง อ, อีกแล้วทำทีเดียวหลวงปู่ดบอกให้ดูจิตดูไม่เลิกเลยครูบาอาจารย์สั่งให้ทาอะไรนี่ลุยแรงเลยพวกเราแบบคน พอนับภูลํงตาภูบาจทจะชี้เกียรนนะโรคนี้แสดงมากเลยนะโรคชี้เกียร์เนั้นอย่าชี้เกียร์นะพอ้องอย่าชี้เกียรเลยไฟกำลังไหม้บ้างเราอยู่ไฟไหม้หัวเราอยู่นะใสเกียรไฟตกใสสีสันเราอยู่เรายังชี้เกียร์ปั่นออกโอ้ไม่ไหวเราอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอนทนเขา้าพักเพียรเขา้าเรียนรู้รรหนะลักในเบ้นเข้าหลักมาสอนแล้ว เรารู้หลักรู้วิธีเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็ ท, นะทำเอาทํำได้พอสมควรแก่ธรรมะแล้วธรรมะก็ม า, มาสนใจเราผมไม่ง่เป็นบัวใต้น้ำไปทุกคนห ร, นะรอกขยัเก้าวเดี๋ยววันนี้ก็ทําเป็นแล้วนะวันนี้ข้างนี้ทะเลกันเดี๋ยวตึ่นนอนจะเนากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปกติผ ทำรูปแบบในการเดินชงโงมค่ะ<ช>แล้กหลัช่วงนี้อยากจะหันนะนั่งสมาธิบา้างคแต่ว่ามันมักจะเข้าไปเพ่งในส่วนใหญ่ก็เลยจะขอมเมตตาทีแ่แนะน ำ, ะะำนนะะเรื่องสมาธินะให้จิตสงบเรื่องถ้าจะทำให้จิตสงบต้องรู้จักเลื่อนอารมณ์ธรรมทานถ้าเราอยู่กับพุโทโธมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธจิตจะไม่ดีไปที่อื่น ถ, <PTSD> ถ้าเราร <Thinking statements. S 2> ูลมหายใจแล้จิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็จะไม่หนีไปที่อื่นเราดูท้องของยุบแลมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นแค่เราต้องไปดูตัวเองนะไปอยู่กับอารมณ์ธรรมานอะไรแล้วมีความสุขแล้วเราก็ระลึกถึงอารมณ์ธรรมานอนั้นอย่าบังคับจิตให้สงบจิตเหมือนเด็กยิ่งบังคับยินะล้อย่างหงหายใจหใมีความสปสงบง อยู่ที่เราฝึกนะแต่ถ้าเราพยายามเนี่ยให้สงบสงบยังไม่สงบเลยเคลนหลักของการทำฝักสงบอยู่ที่ว่ารู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขเป็นเรื่องเป็นัวงวิว่าณกับอะไรแลมีความสุขแต่เราจงต้องวิญญวณกินเล่นนะฝักฝเล่นไพ่แล้วมีความสุขเล่นไพ่แวมีความสุมีสมาธิไหมมีนะแตเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้ออกน จัไม่ไม่ ม, เมาเจริญสติเจริญปัญญาอะไรต่อตํดสวนมาสิ ก, กินแล้วนะจิตเลยว่าเพื่อนมาสิ ก, กินอยอยู่ชุ่มแล้วจะจุ๋มมีความสุขเังไไม่ได้นะก็เป็นอารมณ์ที่มียั่วจิตเยังตกปลาเป็นตกปลาะจะตเองความสุขอย่างนี้ไม่ดียัย่วจิตเองไม่เหมือนไปให้หนักปลาบางคนนั้นทำสมาธิอะไรไม่เป็นเลยนะ ไปหัดให้อาหาลาบัตต่างๆเรามีอาหาลาขา ย, ยยลายทั้จน์ให้ปลากินมีความสุขนะได จ, จะมีความสุขใจสงบนะเนี่ยไปดูเอาเองว่าทาอะไรแล้วมีความสุขแล้วเป็นกุศลด้วยแล้วสมาธิจะเกิดไม่ใช่งยากเลยนับเลขได้ไหมครับ น, น้องนับลเทียนคลับสองสามสี่ได้จะสงบหาหยังไม่สงบอีกมีวอย่างนี้ชาตินี้ไม่สงบหรอกๆๆๆต้อง ส, สบายๆนะ เ็ตัวของหนูทำหน้นที่ได้ป จ, จันดีว่าแต่มันจะ ท, ทำยากหน่อยนะเพราว่าพื้นฐานเนี้ยฟงซ่านเก่กมงมากเลยถ้าฟงซ่านเก่กมงมากๆเนียมีสมาธิอย่างหนึ่งรู้ทันจิตที่ฟงส่านถ้ามันฟองอย่าไปว่ามันนานแล้วเธอฟงอีกแล้ว ย, ยิบบ้ัหวานใส่มันแกฟองอีกแล้วตระหทักเรื่างนี้นะแกจะค่ยสงบเข้ามา ก็งให้หนูไปพุทโธค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากรพทโธมันจะโนั่นเป็นบัคับมากนะ้องทให้เป็นดีพุทโธให้มีควสุขพุทโธพุทโธพุทโธังโพุทโธพุทโธแต่เวลาใจฟุ้งมากๆก็พุทโธเร็่ๆปอใจเริ่มเชื่อของพุทโธช้าๆเออพอใจสงก กล่าวกามสก้นสกานอนคือหนูมีสภาวะคือเวลานูนอนอากรของตอเรามันจะมีเหมือนเหมือนหนูอยู่บนที่สูงแล้วกลัวที่จะตกลงไปอย่างข้างล่างอย่าีบ่อยๆหนูอยู่บนหลัคาบางทีมันก็เหมือนยยยอยู่บนเหวอะไรเงี้ยหลับอะไรนอนนอนนอนแล้วมันเหมือนตืต่นขึ้นมากลางดึกอยนี้ เราไม่ชำนานนะเวลาทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตจะลวงนย่งเวลาจะหับ จ, จิตรวมรวมลงไปเป็นกันนะึ่อย่างเราตั้งสมนาธิอ่า น, นใหม่ๆนะมันหล่นวุ้นๆ ย, ยังไม่ชำนาญถ้าชำนาญมันจะลงนิ่มๆมันขี้เลื่นเป็นลนะลงนิ่มๆแลนดิ่งสวยนิ่มๆต้องฝึกเอาคือตอนนี้หมืหนตัวที่จะป่ให้มันตกหยับลวอยกลยใไหมเลกลัวได้ไม่กลยยเป็น ยี่กลัวยิ่งเป็น ใ, นใจเป็นเครียดนอนบริกรรมไปก็ได้พุโพทโธหลับเมื่ไหร่ชั่มันาซึนะ่งอยู่ไม่ใช่ไปรอดูเจ้าจะหลับจะหลับโนปุ๊บเยจริงๆเนนอนเพ่ง่นอนเพ่งแล้วมันหล่นุไปนอนสบา ย, บายนอนหายใจนอนพุโทโธเคล็ดับอยู่ที่สบายนอนหลับและทาสมาธิคล้ายๆ บางคนงทำสมาธิไม่ได้ใช่ไห่นอนนก็มีนะึแต่ว่าอยากเป็ น, นะ น, นเด็วามนอนระว่างเหนื่อยเขาถือแสมาธิไม่ได้นะในระยาวันนอนเนี่ยมีคนปัจจุมากคนเหมือนกันแต่มีน้อยเนี่ยพยายตื่นไมรู้สึกไหมนอนมาไปถ้าจะนอนน ะ, ะ น, นหนายใจสบายๆกลับมไรก็ไ้อขึ้นมจันจะชอบนอน ไปเลยรู้สึกเลยเรามีสมถมมีอะไรมีตอยางติมอะไรมันก็พัา้าหลัไเก็บไว้ม่นใจในนี้กันแต่ก่อนไม่มือนมือนนขันมาแล้วแย่บมันแยงเก็นก็ใช้ได้แล้วก็อยู่ที่ฝึกหูใจเป็นทางหรือเปล่าตอนนี้ไม่ถึง่ใช้ ไไตแ ต, ต่ไม่รู้ทันเราดูนะตัวตัวที่ะราดูหนูมันจะแข็งใช่หมคัอะไรเนะเวลาหนูดูหนูจะดูเพเพ่งเพงไปหรือเปล่าถ้ยเป็นเพล็กซ์เราส้เราอยากเก็บแค่รู้สึกรู้สึกหนุนถ้เล็กเราเราแข็งวนะใจดีไม่คิดออยังเ น, นี่ยใจดีไม่คิดเราดูทันเก่เป็นได้สมัติดีหรื อ, อยังเในี่ยดีไปเยอะดูทน ตนไปเาเียนนจแลันน้้อไรไม่ใช่รูู้ตื่นงน่นเป็นหนัก่นแ็ผู้สู้ื่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่รูู้ตื่นบัแต่หนัก่นนีครูผู้คนมาการนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เคย หลกพ่อเคยบอกว่าจิตโศออกนอกแลว้วก็สมาธิยังไม่ค่อยพ อ, ก, อก็พยายามทำหรือก็ได้บ้างไม่ได้บ้างธ ร, รมดานะถึงเราทำสม่าเสมอเหมือนกันทุกวันบางวันสมบบางวันไม่สงบเป็นเรื่อปกตินะเมื่อจิตเนี่ยมีางวันเที่ยมีบางวันบังคับไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเคยสงบมีบันถงฟุ้ง่านเป็นงปกติ การทำใใช่ของจิตเจรเลแล้วเสื่อมเจรเลแล้วเสื่อมเป็นเรืงปติตคือไม่ได้ภาวนาองเดียวสมรสมบัติก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าภาวนาจนใจเป็นอหย่อบรรจิตมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ขรคไม่ได้อยากไปคิดหรือังใจแห่ไปคิดมรู้คัเก็ให้ดูกายดจิตตัวเองอกไปเรื่อยใช่อยเปเราอะเนี่ยแข็ื่อใจจะ่อ กอนนี้ทื่อไห ม, อมเออื่อแลินะสีน้ำตัวสบายสบายเหลือไปเร้รู้ิ่บรวเหลือเราเอนะะต้องกล้ามากเลยเพรอะกล้าหามากเลยจะเรี ย, กยนกาเหลือเรารดูนิ่มบบตัวยังเหลือแล้วจ้องเลยตลเวลาเลยคยใช้ชชชชชชไม่ได้แต่ปฏิบัติทำแล้วก็ทาให้ความอยากมันน้อยลงแต่ก็ยังไม่หมดวนอยากก็ี่นอนนะ่ะไม่ใช่กละนะ้าแล้วนยังอยากอยู่ รรมดามันก็ค่อยๆลดไปมันจะลดลตรงกับเมื่อมันเกิดปัญญานะเห็นาที่นะเห็นว่าธาตุขัดนี่เป็นตัวทุกข์กายนี่เป็นตัวทุกข์ใจนี่เป็นตัวทุกข์ไม่เห็นได้ถึงขนานั้นความอยากจะไม่เกิดอีกเลยนะถ้าตนนัดยังไม่เห็นขนาดนั้ น, น, นเกิดอีกก็จะเห็นเวลาไปเยี่ยมคนที่ป่วยใกล้จะตายเราไปเผาส่งใครกันนี้ก็จะขยันขนาดี ไ ป, ปต่างก็งเลยนั่แหละที่เชียงใหม่เราเอาส่ง่อยเราไปดูบ่อยๆไม่ใช่ยากเราไม่เป็นไรเป็นะ่ปหน้าถ้าเห็นวคนตายอย่างนี้นะจินใจพระเรื่องเปิดบานจะเห็นตอนนั้นเป็นเรื่องดีถ้าถึงสอนท่าซากส่งเป็นตอไม้ของราดิยังไปดูแลใจไม่ประมาทใช่ไหม แต่ว่าชอบนอนประมาณเจถึงแปชั่วโมงใ น, ในอะไรไม่ค่ะหลวงพ่อเขาชอบนอ น, นสิเขาเป็นนักนอนนอนมากนอน น, อน้น อ, นนอ ย, ยไม่ได้วันที่ช่โมนะ่บางคนเนี่ยนอนแค่ไหนพอดอีกินแค่ไหนพอดอีตัวแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกบางคนนอนแชั่วโมงพอดอีนแปชั่วโมงมากไปกเราดูเราเองนอนแค่ไหนรัสติเกินบ่อย สติดีใจตามมาั้งมั่นเอาแค่นั้นนะไปดูว่าแค่ไหนพอดีคิดแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีับแล้วสติเกิดล่อยังไงเล่นไปดูตัวเองแต่เราเปดไม่เท่าหนัไม่มีหลังเสือสเป็นรูปอย่าไปเพ่งมนะาเพ่งไม่ใจ่มนิ่งๆไปให้มันทำงานตอมีสติดีไปเปิดตั้ไปครับพนักงานของเา ติดๆรออย่างีนะครั้งก่อนกะผมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สุสนสุราษฎร์บ้านกลสภาว่าความโกรธผมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อใ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นผมถามหลวงพ่อพ่าทำไมมันไม่หาย หลวงพ่อก็ให้ทานบ้านไปดูว่าได้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทอดเรายาวใหญ่ๆมันอยากดีก็เลยลงมาปฏิบัติดูจริงๆแล้วเราไปเข้าไปโคบทคลีมันมากนะครับแต่ยึดเอาความโกรธมาเป็นตัวตนจริงๆแล้วความโกรธมันมีเหี้ยของมันนะมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันเอง เราไปยุ่งกับมันเป็นการอย่างนั้นเองขลับก็เลยวันนี้เราส่์กับ้านลุงพ่อก็ดีนี่เห็ได้คยูขลัดูไปนั้นธาตุขันมันแยกได้ถ้าดูไปเห็นธาตเดีนวันแต่ละอย่างอย่างความปวดก็เป็นขันนึ่งนันเป็นงสัมขาขันมันไม่ใช่จิตหรอกความโปวดกป็นจิตเพราคนลอนกันมันมีเหตุมันก็เกิดมันมีเหตุมันก็ดับมันเขับมันไม่ได้ เห็นเองนี่ราเหนอนนตานะใช้ได้เป็นไปถึงตั้งแต่แรกเรนดูอย่างเดียวกันเลยก็รับคื อ, ค, อคือความโกรธเนี่ยกับความหลงความหลงเนี่ยมันถ้าเราเห็นเนี่มันเบาสบายมีความสุขแต่ความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นแต่ว่ารู้สึกอยากแสดองออกทางกริยามันดันดันด น, ดนะมันแบบแาบโกรธโกรานะก็รัเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดรมกับ ท, ก ท, ทุกเวทนาที่โทรมนาเวทนาในขณะที่ยังโลภหาความโลภจนะเกิดกับความสุขได้นะความโลภเกิดจากจิตที่มีความสุขก็ได้แต่ยังความโกรธเนี่ยเ ก, กิดร่วมกับจิตที่มีความทุกข์เสมอนั่นจะดุมาครับางทีจิตมีความสุขนะหมายถึงจิตเราดีนะ่เป็นจิตมีโลภนะั่นพอใจในความสุขความสงบในะโลกอยูนะ่ไม่เห็น โทรศสพท์นี่เป็นกิเลสที่ดูง่ที่สุดแต่เพราะว่ามันอยากดูขยันดูเพราะว่ามันเกิดแล้วมีความถูกข์ะั้นคนไหนมีโทรศัพ์่อยก็มีบุแลหละดูง่ายเป็นธรรมาตาัดกิเลสง่ายแต่ประเดผมชอบไปดูโทรเลยมันเบาสบายนนบดีมนะนะันมีความสุขแลให้รู้น่นะไปจมันเหลือไปนะนสบายราครันเกิด ละครแท้แค่รู้ทันไปจิตมีรังครับต่อไปไมันเบาสบายนะแต่ไม่มีรังคข์ขอกับ้านมาพ่ออีกไปทำอีกสินะค่ขอยๆเถูกแล้วละค่ะขารรักษาการค่ะก็ได้ตามดูตาไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ก่อนกอ ในช่วงนี้ผมก็ยังขอชมนะมันโยงที่นี่นะจิตใจยังสงบนะช่วงหลังเที่ยวโยงไงเท่ยวันม่นยุ้งมากบัตรบัรีแเรื่ององดวงวิญญาต่างเราที่นีร้สงบกว่าสบายกว่าใจมันฟงซ่าเราูท่านอนันดูลปในร่างกายเรานักสวยน่าามักสุขน่สบายดูร่างกายบ่อย ร่างกายมันจสอนเราเอไม่สวยไม่าไม่สุขไม่สบายรู้สึกในร่างกายเระจิตจดขึ้นตัวกายเรื่อเห็นไหมร่างกายไอย่างนั้น่รู้สึกเว้นตัวกายเรื่อยตูกายครับครับหลัทสการ์ผมก็ประมนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็ ดีก็คอยรู้สึกไปนะครับไม่ดีก็คอยรู้สึกไปแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี้ก็มี ห, หลายๆเรื่องเข้ามาเยอะนะครับรวมทั้งงานก็ค่อนข้างยุ่งแต่ก็ปฏิบัตินะไอทีขันเองแต่ในระหว่างที่คิดว่าไม่ได้ปฏิบัติที่ถือว่าปฏิบัติไม่ค่อยได้เต็มที่นี้ก็รู้สึกว่าตบมีน้ำ เห็นจากเมื่อก่อนที่เห็นกายชันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเห็นจิตว่าจิตเขาทำงานเขาใช่เรามีถ<ด><ด>กขก็ประมาณนี้ครับทีงดูต่อไปนึ่งดไปเรื่เรยเรยสุขทุกข์ดีชั่วนั้นไหลเรียนไปท้งวันนั้น้เกิดเราก็ดับไปดไปาไม่ได้บังคับไม่ได้โดนนยนี้นใจกันยอม เมืเราเห็นสภาวะได้แล้วนะมันคือสภาวะไปสภาวะจะสอนธรรมาเราไรก็สอนธรรมาเราไม่ได้แต่จะบอกวิธีให้เราเปฏิบัติเราเข้ามาบอกวิธีให้เราดูวิธีแล้วเราก็ไปเห็นสภาวะสภาวานะนั่นสอนเราอนะเองเห็นไหมมันสาธรรมาทุกวันครับแต่ธรรมมาแสดงตัวอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราถูกนะ เ, เป็นหรือไปเห็นมนะันหนึ่งใจก็ยอรมรับธรรมะเปิดใจให้ธรรมา มันก็เข้าใจครับครับทีนี้ผมมีเรื่องไม่เข้าใจองเรื่องค่าขากครับก็คือที่ว่าเห็นสัตตนตินี้ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับการดูหรือว่ามีวิธีมีคาเจที่าจิตตั้งมั่นมัก่อนห่างเราสติเราไวไเพื่อสัน ต, ติขาดเราจะเห็นเจิตรงที่หลงไปจิตดวเนี้พลันหานไปพลันหันกันขาดจากการ จะมีช่องเล็กๆบัดอทอ่านแต่ว่าถ้าไม่ยิ้นก็ไม่เป็นไรใครฝึกมาดูไปใครอยากเห็นจะไม่เห็นหรอกถ้า <c oughs> สติเราดีพอสมาธิเราดีพอไม่ใช่เห็นเรีในใจตอนนี้ใจนี้มีจิตไหมใช่แต่ ใ, ใจดีมีจิต <c oughs> ใ, ใจนีในใจ้รู้สึกตัวเนี่ยคนละอันกันถ้าส ต, ติขาดเน่ยจะรู้ซึ่งเลยว่ามันคนละอันกันไม่ใช่ตัวเดียวเวลาสัน ต, ติเป็นขาดนะถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะคิดว่าจิตมีดวงเดียว เดียวก็วิ่งไปดูแล้ก็วิ่งกลับมาวิ่งไปฟังแล้ววิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแลวิ่งกลับมาคิดว่าจิตมีดวงเดียวแต่ถ้าสันติขาดอะไรย่างเงี้จิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้ดับจิตที่ไปคิตเกิดแล้วก็ดับแค่เหนแค่นั้นสันติขาดจิตไม่ใช่ดวงเดียวหรอกมันเหมือนตูนตัวกระตุนตัวกระตุนถ้าสันติขาดคือรูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหว แต่ร่วมกันแล้วร่วง้ามันเกิดดับต่อเดกันอย่างรวดเร็วก็เลยรู้สึกว่ามีอยู่ตัวเดียวมีตัวประตูตัวเดียวไะไแต่เดินไปเดินมาได้แบบเดียวกันจิตมันเกิดดับตลอดเลยเกิดที่ตากระดับที่ตาเกิดที่หูกรดับที่หูเกิดที่ใจกรดับที่ใจถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เนี่ยฉันต้องหยิบขันขันขัาขันบ้านหลวงพ่อครับไม่ทํำยิงเลยทาใจดีแล้วล่ะขอบคุณครับ กรรมนันสการสกงครค่ะวันนี้ช่วงนี้โยมจะของากไปหน่อยก็เลยภาวนาไม่มค่อยมียเหมือนเมืก่อนคนค่ะไม่ดีเย้เหมือนที่เคยปฏิบัตินะครับเสียงได้ใช่ไหม้สทอก็ดได้นะแต่ไม่เลิกชิบเก ER ียร์ก็ได้นะแต่ไม่เลิกดูลุ่มดเดียวเลย คนโบาณมีสัุคำนะล้มลุกุกคลานขอชอบนะแนี้ล้มัล้วกลุกขึ้นมาลมได้ทุกคนแต่ลมได้อย่าล้มนานลุกขึ้นมาลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปอย่าอยูี่สู้ตายต้อหอดตัวเนาอย่าท้อใจอกี้บก็แค่เรเรื่องความไม่ประมาณค่ะยุก็เลยคิดของโน้เนี่ยลวงให้กันบ้านเลยไม่ต้องถามกันะโมยังรู้สึกตัวไป ใจบันดีไปรู้สึกใบันดีแล้วรู้สึกให้มีความรู้สึกตัวยงันะ้นใ จ, จน ม, นะมันจะว่ายสรอยน้อยยบดีด้วนอทอวยหมดที่วดดนแดงไปเนี่ยอยรู้สึกตัวให้กานบ้านนะอย่ารู้สึกตัวบ่อยๆนั่งกไปนมการของพ่อ จิตโยมช่วงนี้เข้าแบบไม่ตรึงหรือว่ารักษาสภาวะตัวเฉยนะคะแต่ก็จะยังแบบยังมีตัวรักทีแล้วก็แบบเข้าไปเจริญการและช่วงนี้ตัวมารณอานตาแล้วก็เจะคของที่เข้ามีอยงดีมากขึ้นเรารู้นะแต่ก่อนมันก็มากแต่เราไม่ดีตอนนี้เราเอชแล้วละก็ยังดี ค่ะแล้วก็ประมาณที่เขจะเหมือนกับว่ายังดูแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายมากข้นกว่าเมื่อก่อนมันจะติดเฉยติดนะอย่าให้เฉยนะคราจารย์สอนนับนาระวังอย่ า, ยายให้จิตไปติดเฉยทห้มันทำงานไปตัว ท, ที่จิตทำงานเนี่ยมันเหมอนฟงสร้างฟงสร้างเกี่ยวกับการจเจริญปัญญาเนี่ยคาบเส้นกั น, นติดเฉยถ้าฟงสร้างเนี่ยฟงไปเลยไม่มีสติ ถ้าจิตมันเชื่อนไห่เปลี่ยนแรงมันทำงานเมือตัฟงสารแต่เรามีสติตักรู้เรื่อยๆนะคือว่าเด่นตัดอยากอยู่นะเพราไม่ต้องไป็นัวงและแต่ถ้ามันฟงตัวไ่รู้เรื่องก็ทำลำสะกดออกมาช่วงนี้ตวยงเจะเห็นจิตแบบมันจะมีบางตัวที่หมดหงิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะแบบประมาณแบบชอบฟงสาราไอ้นมันเ่อตัวแบบนตัวค่ะนตัวงตัวดิไม่ใช่จิตหรอกัตัวที่จิตไปรู้เข้า ติดตัวแล้วนะเจ็บไม้เป็นแต่ก่อนรามาัสกีมาหลวงพ่อครับผมคงทรงการบ้านผ่านแดกนะครับแล้วก็ติดตามหลพ่อผ่าน y o u ูทูปครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะดูกายครับถ้าดูจิตได้ก็จะดูจีตครับก็วันนี้อยางถามหลวพ่อว่าที่ทออปฏนะิบัติมาองค์บ้านถูกตุลทําไปอีกนะถ้าไมต่อไป สีเราก็จะดิ่งลึจิตใจได้อยู่กนะับเนือับตัวมากขาึ้นอยกขาดแยกขัดได้บอ่อยขึ้นก็จะดี่งลนเป็นลาจับไปนะทันสุกแล้วนะก็คือทาแบบเดิมไปใช้เป็นตัวแฉกนะไปดูนะอย้มันทำผิดสีนละลนะไปดูไปดนะ้ยเราจะให้ใจมันหลงยาวหนะลงสั้นๆไปหลงยาวทางดิงหนะลงแล้วมันรู้สึกหลงแล้วมันรู้สึกนะ ของคนผู้หญิงที่นั่งส่งกันบ้านเมื่อกี้อยู่เพ้งไว้ไนะอย่กลัวหลงเลยจ้องแหวนโดนแหวนนะไม่ดีนะให้ทางานเป็ธรรมชาติเป็นธรรมชาตาิต่างรู้ตามตัวไปจิตที่ดีที่สุดสําหรับการเจริญนะปัญญาคือจิตของเด็กๆจิตเด็กๆนี่ไม่มีมารยาแต่ว่าเด็กนี่มีข้อเสียอย่างหนึง่งจิตต้องเคลื่อนไหเป็นอะไรเป็นธรรมชาติแต่เขาไม่มีสติไม่รู้ ของเราเนี่ยปอให้จิตมันทางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแเรามีสติต่างมันปยจะเห็นเลยว่ามักระดับมีในของของับไม่ได้เาอยัดแปลงจิต่จินปกติอคุณผู้ชายันประดับรผู้หญิงมันดแตเก่งนะ่าดังันนพอคอย่าให้ฟุ้งนะ ตามธรรมกาสกาพกรพอครับเมื่ออบเดือนที่แล้วผส่งกบาหนหงพอหลวพอ่พอบอกว่าให้ไปดูมุมอนันตตาเยดูหนอยรให้ไปดูมุมอตอาเยครับหลพ่อบอกว่าเป็นช่วงบัญญากราให้หนอเยอะผมก็ไปลองสังเกตดูครับผมก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่เรามีสติรังมาขึ้นมา ไม่มีอะไรครับจะ ม, มันมีตอนที่มันกระทบแล้วเอาเห็นไปทันครับใช่ครั บ, <ช>รบก็ถ้าเราเหยียดไม่ทันตั้งหลายตอนนีกมันก็จะเกิดสูบเกิดทุกข์ขึ้นมาถูกครั บ, <ul> รบ ก, รก็ตรงก็ทรงก็ทรงทุกเกิด น, น, นั่นเองก็มีกิเลสแทรกมีกิเลสที่มันก็มีความอยากตามมา อี ค, ความอยากตามมาจิตก็ไหลไปจับอารมณ์ ab ab จิตไหลจับอารมณ์แล้วจิตไม่คลุกอยู่กับอรมณนั้นดิ้นไปดิ้นมาแล้วจิตก็ทุกขขึ้นมาจะเห็นกระบวนการที่มันทำงานเป็นขั้นๆแคร่รู้นะอย่าไปคิดหนักรู้ไปสบายระวังปัญญาหลับนึกมันจะจับจับไปบดูเสิรๆก่อนแ้วโกนี ผรต้องยังไงต่อขั้นระวางระวางจะไม่คิดนักนะครับดูระระวางไปเรื่อยๆ้ใจนสรุปเใจมันสรุปแล้วเดี๋ยวระัก็จะไปตัก่าแก้ให้มันักไปดูครับมันเหมือนกับว่าการแก้ก็เห็นเองเราเราักมันมันจำมันจได้ครับตัวนั้นเป็นปัญหาปัญาเป็นอารมครับครับขอบคุณครับ นนเราต้องไว้ไม่ยู้ชื่อช่ไเบบรเรือยๆน้ับมัอเรอยู่ตสว่าอระยะหลงผมไม่อยู่ทนู่นแล้วกนะ็ไม่ได้มียกลา ฟ, ฟั ง, งอสดๆเหมือนแต่ก่อนคือวันนี้คือยู่ประเทศ น, นึงอยู่ในยาแล้วก็ ธรรมะหพ่อนะไม่ว้ที่ไหนก็สดกินั่ะัางในสีิ์ก็สดสดนะนดก็เปต่อสั่งแบบนั้นดู้องจริงเราคนระับแต่ว่าสิ่งแวนนอมมันไม่ค่อยมีกระย า, านมิสการภาวนาสิ่งแวดล้อมปรับกัดดินฉีบมากก็เดียวเดยวด้มากก็าบทตัวเ ร, เราเราเือไปตามาหากิน มีวินัยมีินัยนะตอนนาทุกวันแต่งเวลาแบบตอนนครับตอนเย็นตอนนาไม่ไหวตอนนาตอนเช้าครับช่วงัไม่นานกก็ก็เลยช่วงหลังก็ไปนั่งนั่งสมาธิแล้วก็เวลาแจมันฟุ้งนัน่งก็นั่งเล่น นั่งดูกายนั่งดูใจเล่นๆเรื่องเวลาที่เราทำงานหนักมากอะไร็ย่าไปนั่งนั่งให้มันได้ดีบางจะดีนัมันจะเป็นเพีน่าลาให้นั่งเล่นแบบ น, นานเล่นๆไปถึได้ของดีคอบ <c oughs> มันดเวยาจะ้อมใจก <c oughs> ันเอยเ่นมันไม่ได้ของดี <c oughs> มันเป็นของเร ทำทุกวันนะทำอย่า้สำนัมสุเลทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะดีถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระวิจารทั้งใจเพียงแค่ชีวิตนี้ขอถวายบูชาพระวิจารทอนางเราทุกวันทุกวันไม่มีเมียได้ก็ดีถ้ามีเมียเราไม่ยังไม่มีลูกถ้ามีลูกแล้วมาลำดับใหม เรียนรุ่งไปภาวนาไปไม่มีเรื่องอยายา <c oughs> นั่นไงมันจะยากขันหายงตัวไม่จบเลยเจอกัน15ห้านะยิ่งใหญ่ๆรอให้มีวินยัยเลยใช่ที่มีวินัยนะ้วยา่าอย่างปีทำให้สม่งเสมอแต่ว่าไม่ได้อยา่างปีถือว่าทําที่สามนะชงบๆผมก็ทักเรื่อยนแต่ว่ามันทำแต่ว่า อย่าลุกลีลุกลงสิะทำเตั้งมันจะทำทำเลนๆห ย, ยใจเล่ ม, มีความสุขอู่ทำให้เรือเรียนการทำสมาธิทำให้มีความสุขที่ผสุดท้ายปอเกินเวลาไป็นาราธิธรรมมารการขงพ่อการรับส่งการบ้านครับ ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจคือเห็นกิเลสตัวเองเห็นเวลามันเกิดแล้วเห็นใจัเองเนี่ยตางกิเลสบางครั้งก็เห็นใจกิเลสพยายามไม่มากิเลแต่กิเลสนก็ยังมาแบบต่อเนื่องตามไม่ได้เลยมันต่อเนื่องจนสงสัยว่าเราเห็นถูกต้องหรือเปล่กิเลสมันเกิดนาแม่น้ำมเมันก็ไหลแล้วมันเป็นน้วัดเลยไหลไปห้างมันไม่ได้เราเราแค่รู้คเห็นนะมันาแไปไม่เกี่ยวกับเรา ถ้าถ้าไม่ห้ามเลยนี้ถือว่าอ่อนมาำนิดหนึ่งคือการอ่อนน้ำนะเราไม่ตามกิเลสขนาดนี้แต่เราไม่ได้ตั้งกเลนที่หลวงพ่อยอกตัวอย่างบ่อยๆนะเคยตั้งเห็นเรือจอดอยู่ในแม่น้ำหรือในทะเลเนี่ยน้าก็ไหลไปเรือไม่กว่างน้านะแต่เรือก็ไม่ลอยตามน้ำไปทอดสมอไว้นั่นใจเราที่เหมือนกันกิเลสมาเนี่ยไา ม, มา่ได้ตั้งนะถ้าตั้งมันเวลาไปสร้างก็ืกิดน้ายิ่งแรงเล การเกิดขณะนำแดดเนี่ยยิ่งเรามยายังสู้กิเลสกนะิเลสยิ่แรงนะและ้วแต่ว่าเราไม่ได้ตามใจกิเลสให้มันรอบลากเราไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่อโดยจตามน้ำไปแลนะ้เราเรู้สสบายเห็นกิเลสสักว่ากิเลส น, นะกิเลสไม่ใช่จิตเราค่อยๆดูไปกิเลสกับจิตเป็นพลังงนกันกิเลสเป็นสภาวะที่แปรเปลี่ยนเข้ามาชุกชันชุกชจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่เกี่ยวกัน ก็จะเห็นเลยว่ากิเลสมานับไปมานับไปไม่เกี่ยวกัรไม่ต้องไปลาไม่ต้องัเปนมันมันไม่ใช่จิตหรอกันไหมใจคืดันไหมตนนี้แเต้นครับโอ้โหนั่งเต้นเต้นทั้งรันไม่หามถ้า้ามมันเลยยืดมัดันเต้นเต้นถ้มันเห็นใจมันเต้นมันคนอื่นตื่นเต้นโดยอย่างนี้นะ เห็นใจเป็นโกรธมาเห็นคนอื่นโกรธใจมันนโอภมาเห็นคนอื่นลภใจเันสุขมาเห็นคนอื่นสุขใจเป็นทุกข์มาเห็นคนอื่นทุกข์ดูมดคนื่นไปเลยนะเราดูสบายเยเห็นสุดท้ายก็จะเห็นมันไม่ใช่เราเราแอบคิดที่ยังเกิดใจมีไปคิดให้รทันเป็นาวนาขอที่ภานาฉได้นะีพอนแนะนารู้ควรจะอะไรเป็นพิ ตัวอะไรละอะไรรากคนในปัจจุ บ, บันรู้ชัดนันไก็น้วนิะหนึที่ฝึกยู่ใช้ได้นะกับอีกเห็นไหมว่าเราไม่มืมดเลยบ้านเตออิบโเติมเต็มเตัวเรียนก ล, ลงพ่อนะมันตให้เพิ่มมาใหม่ๆอทนนิดนึงมีฟังซีดีนะฟังแล้วฟังอีกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะต่อไปไนมะ่ว่าไปฟังรูบ า, ารย์ที่หนึ่งก็เข้าใจ ไปอ่านธรรมาอะไรก็เข้าใจก็สิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติแล้วมันจะไปยากเกินไปถ้าแม่รู้หลั ก, กาาลววลเรื่องการภาวนาโอ้ยลำบากรเรืต่างก็นเองถ้ารู้หลักเราไม่ยั้งฟังแล้วฟังอีกถึงจะรู้เรื่องฟังแล้วก็อยากอยากรู้ฟังเร่งๆไปหลายบ้านน ะ, เ, นนนนนนะเปิดซนะีดีหลวงพ่อขึ้นรถ้วเปิดเลยพ่อแม่มาตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอก ลูกมึงอยู่ในรถนะฟังไม่ได้ตั้งใจเพราะนามเปลี่ยนเราฟังเล่นๆนะฟังไปสบายๆรู้เรื่องมันไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องกระชับมันผมไม่งงเลยขนาดนไม่มีวันรู้เรื่องหอกสักวันหึงก็รู้ใกล้ๆฟังไปแล้วฟังแล้วฟังยี่งฟังซ้ไปซ้มาความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนมะที่หลวงพ่อสอนแต่ร่างแต่ละร่างเราฟัง แล้วเราภาวานาเรื่อยๆความรูร้ความเข้าใจ n ราจะเปลี่ยนไปเรืดด่อยๆไม่มาตื้นแล้วเราจะรู้ว่เราม่ใช่คนเก่าแต่เราอยากเปลี่ยนนับางคนเช่นลายเดือนสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ต้องเปล่ยนกระองพระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจคนได้จใจร้จายๆ เ, เป็นใจที่ดีใจที่ทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยลงใจที่ทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงเป็นธรรมะของพระเจ้าที่อัศจรรย์ที่สุดเลย เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเรองได้ในเวลาอนสั้นหมแล้วเหรอใช่หมดร